ในขณะเดียวกันเขาก็ไม่สามารถทําผู้อื่นให้หลุดพ้นได้หรอกะตัวเองก็ติดข้องอยู่นะก็ไม่สามารถชวนให้ผู้อื่นนี่ออกได้ซึ่งภาษาดิบท่านนิเทศพุทธพจน์ว่าผู้ติดพันด้วยความเช่มชื่นในภพเพราะเหตุแห่งความปรารถนาหรือว่าเพรา ะ, ะความปรารถนาเป็นเหตุนั่นแหละเขาจึงติดจึงข้องจึงเชื่อมชื่นอยู่ในภพ嘛เนะีก็ขยายคําว่าตันหาตันหานั่นแหละเรียกว่าความ ปรารถนาสูตรก่อนก็คือวิสัติกาใช่ไหยแพร่ซ่านไปพระสูตรนี้ก็ความปรารถนานะนั้นความปรารถนาก็คือความกำหนัดความกำหนัดกล้านะนะกำหนัดมากอนะนะความพอใจความชอบใจความเพลิดเพลินความกำหนัดด้วยสามารถแห่งความเพลิดเพลินเนี่ยนะเพลินสบายเนี่ยนะความกำหนัดกล้าแห่งจิตความปรารถนาความหลงความติดใจความยินดีความยินดีทั่ว นะความคล่องความติดพันความแสวงหาความรวงความให้สัตว์เกิดนะเพลิดเพลินติดข้่องนั้นมันพาเกิดเฉยเลยนะตัณหาเนี่มันร้ายมากนะถาความให้สัตว์เนี่ยเกี่ยวไว้กระทุกกันนะอนั้นก็เกี่ยวไว้กระทุกจริงจริงนะชอบวัตถุใดมั่งที่ไปเกี่ยวทำไปทำสิ่งนั้นแล้วมันไม่ทุกข์เอาทนะขอให้ชอบเถอะแล้วลงมือทำเถอะมันทุกข์ทั้งนั้นนะ ทุกทั้งโลกนี้ด้วยทุกทั้งโลกหน้าด้วยนะแล้วก็เย็บไว้เนี่ยนะเย็บพบเอาไว้กับพบเป็นต้นความที่เป็นเหมือนตาข่ายความที่จิตเอ่อความที่มันเหมือนกระแสน้ำซ่านไปในอารมณ์ต่างๆนะความที่เหมือนเส้นได้ความกระจายไปทำให้อายุเสื่อมความเป็นเพื่อนนความตั้งไว้ความเครื่องนำไปสู่พบความติดในอารมณ์ความตั้งใจอยู่ในอารมณ์เนี่ยนะความสนิทความรักความเพ่งเลงความผูกพันความ จํานงความประสงค์ความหวังในรูปหวังในเสียงกลิ่นรสโพธาพะเนี่ยนะความหลังหวังในลาบหวังในยศหวังในสรรเสริญหวังในความสุขอะหวังในทรัพย์หวังในลูกหวังในชีวิตความปรารถนาความให้สัตว์ปรารถนาเนี่ยนะสัตว์จริงๆที่ปรารถนาพบทั้งหลายก็คือเพราะตันหานั่นแหละกระซิบว่างั้นความที่จิตปรารถนาความเหนี่ยวรั้งความให้สัตว์เหนี่ยวรั้งความที่จิตเหนี่ยวรั้งความหวั่นไหวนะใจมันหวั่นไหวนะอาการแห่งความหวั่นไหว ความพรั่งพร้อมด้วยความหวั่นไว้ความกำเริบความใคร่ดีความกำนัดที่ผิดธรรมความโลภไม่สม่ำเสมอความใคร่อาการแห่งความใคร่ความมุ่งหมายความปองความปรารถนาดีพวกกามตันหาภวะตันหาวิภวะตันหาเนี่ยนะหรือแม้กระทั่งตันหาในรูปประพบอารูปประพบหรือตันหาที่เกิดร่วมกับอุเฉททิฏฐิเรียกว่านิโรตตันหาเนี่ยนะหรือรูปตันหาสัทตันหาตันหาที่ไปทวานตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะ เรียกว่าโพธะรูปตันหาสัทตันหาคันธารตันหารัศตันหาโพธะตันหาธรรมตันหาตันหาอันนี้เป็นโอฆะเพราะว่าทําให้สัตว์เนี่ยจมลงในวัตตะโยฆะเพราะประกอบเนี่ยนะคันธะเพราะร้อยรัดอุปาทานก็เพราะยืดถือนิวเนี่ยกลางกั้นแล้วมันปิดมันบังมันผูกแล้วมันทําให้เศร้าหมองอ่ะนะกายก็เศร้าหมองวาจาก็เศร้าหมองใจก็เศร้าหมองแล้วก็อนุสัยอนุสัยปริยุทธานคือความกลุ่มรุม มันเป็นเหมือนเถาวันเนี่ยนะความปรารถนาในวัตถุต่างๆมันเป็นรากเง่าแห่งทุกเหตุแห่งทุกแดนเกิดแห่งทุกเป็นทั้งบ่วงแห่งมานเบ็ดแห่งมานอารมณ์ของมานมันเป็นเหมือนแม่น้ําถมไม่เต็มอมันตันหาขายคือตันหาโซ่คือตันหาทะเลคือตันหาเนี่ยนะสมุติคือตันหามันกว้างใหญ่ไพศาลยิ่งใหญ่มากตันหาเนี่ยอนัพิชาความความเพ่งแรงเนี่ยนะโลภะ เป็นอกุศลรมูลเป็นรากเง่าแห่งอกุศลจิตเป็นรากเง่าแห่งกายยะทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตเป็นรากเง้าแห่งวาตะนะเพราะเพราะเอกตัวความปรานะรถนานี่แหละเพราะความปรารถนาเป็นเหตุหรือว่าเพราะความปรารถนาเป็นปัจจัยเพราะความปรารถนาเป็นตัวการเ พ, พราะความปรารถนาเป็นแดนเกิดเพราะฉะนั้นจึงว่าเพราะเหตุแห่งความปรารถนาะ คือเข้าปรารถนานั่นแหละเข้าจึงแช่มชื่นในพบนะคือเขาหวังเขาต้องการเขาเพลิดเพลินเขาติดเขาข้องอ่ะเพราะงั้นเขาสิ่งที่เขามีคือสิ่งที่เขาต้องการมาก่อนนันะใช่ไหมว่าโดยรวมๆนะสิ่งที่เขามีอยู่ในตอนเนี้คือสิ่งที่เขาปรารถนามาก่อนหน้านี้ะเขาก็กําลังปรารถนาเพื่อสิ่งที่จะมีอีกต่อไปแต่ว่าจะสมหวังหรือไม่ก็แล้วแต่ปัจจัยด้านอื่นๆเนี่ยนะแต่ว่าตันหามันเป็นตัวที่พาปรารถนาอยู่นั่นแหละ มันพู้ติดพันอยู่ด้วยความเช่มชื่นในภพเนี่ยนะติดในภพเนี่ยคําว่าภพเนี่ยเขาแบ่งเป็นภพหนึ่งภพสองภพสมภพสี่ภพห้าภพหกนะพวกที่แช่มชื่นในภพอย่างหนึ่งก็คืออะไรสุขเวทนาติดในความสุขกันนะติดในความสุขนี้แหละเรียกว่าเช่มชื่นในภพก็คือมีอัสาธะในภพนะเพลินในภพแหมติดข้องมากแล้วก็แช่มชื่นในภพสองภพสองก็คือสุขเวทนาและวัตถุที่ปรารถนา ทั้งตัวความสุขด้วยแล้วก็วัตถุที่ตั้งแห่งความสุขกันนะอันนี้เรียกว่าภพสองที่เขาติดเขาคล้องเขาเพลิดเพลินเนี่ยหรือในภพสามก็คือติดในความเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยนะเขาติดเขาคล้องในความเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยนะติดข้องในความไม่มีโรคติดข้องในชีวิตเนี่ยนะว่ามีชีวิตอยู่ต่อไปเนี่ยนะความเป็นหนุ่มเป็นสาวความไม่มีโรคความมีชีวิตเนี่ยนะติดมากก็ใครอยากแก่บ้างอนะก็ติดอยู่แล้วในหนุ่มสาวอ่ะ แล้วใครอยากป่วยบ้างเพราะนั้นจึงติดในความไม่มีโรคใครอยากตายบ้างเพราะนั้นเรื่องติดในชีวิตเนี่ยนะเพราะว่าไม่อยากแก่ไม่อยากป่วยไม่อยากตายนี่แหละจึงคิดว่าความแช่มชื่นในภพสามส่วนความแช่มชื่นในภพสีอย่างก็คือแช่มชื่นในลาบเนี่ยนะลาบก็ประกอบไปด้วยเครื่องนุ่งห่มะนะลาบคืออาหารลาบคือที่อยู่อาศายัยลาบคืออยู่คือยาเป็นต้นเนี่ยก็ติดอยู่ในลาบ ติดอยู่ในยศยศหมายถึงบริวารหรือตําแหน่งชื่อเสียงเป็นต้นเนี่ยเรียกว่าติดในยศเนี่ยนะติดในความเป็นหัวหน้าเจ้าหมูเจ้าคณะเนี่ยนะติดในอํานาจก็ติดในยศเพราะมีบริวารที่จะมีอํานาจควบคุมคนอื่นเนี่ยนะหรือติดในสรรเสริญเนี่ยนะติดคํายกย่องเนี่ยนะติดคําที่เขาชื่นชมเขาอนุโมทนาเขายินดีเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าติดในชื่อเสียงหรือว่าติดในความสุขติดในความสุขทางกายติดในความสุขทางใจเนี่ย เรียกว่าอัศธาความเช่มชื่นในภพสี่อย่างก็คือในโลกธรรมฝ่ายดีคือลาบยศสรรเสริญและความสุขนั่นเองความเช่มชื่นในภพห้าอย่างก็คือเช่มชื่นในอะไรในรูปสวยๆสวยเสียงเพราะๆกิ่นหอมๆรสอร่อยอร่อยผลิภัที่น่าพอใจอะ่ะอันนั้นแหละเรียกว่าความเช่มชื่นในภพห้าอย่างก็คือเพลินในรูปเสียงเรียนรสโลิตภัหรือความเช่มชื่นในภพหกอย่างก็คือถึงพร้อมด้วยตานะตัวเองตาสวย ความถึงพร้อมด้วยหูเบาตัวเองหูดีตั้งพร้อมในจมูกว่าแหมจมูกดีจมูกโด่งเป็นต้นนัน้ความพรั่งพร้อมแห่งลิ้นว่าลิ้นดีลิ้นงามลิ้นเบ า, เ า, เาพูดเพราะพูดอะไรเนี่ยนะความที่ลิ้นเขาดีอหรือติดข้องในในกายเนี่ยนะว่าเขาเนี่ยมีร่างกายดีสุดทรงดีผิวงามเป็นต้นหรือความติดข้องในใจว่าเป็นผู้ที่มีใจใหญ่ใจสูงใจกว้างขวางเป็นต้นนะ เหมนผู้ที่ติดพันด้วยความเชื่อมชื่นในพบพบอันหนึ่งก็คือสุขเวทนาพบสองก็คือสุขเวทนากับความติดพันในวัตถุที่น่าปรารถนาติดพันในความเป็นหนุ่มเป็นสาวติดพันในความไม่มีโรคติดพันในชีวิตติดพันในลาบติดพันในยศติดพันในสันเสริญติดพันในความสุขติดพันในสิรูปติดพันในเสียงติดพันในกลิ่นติดพันในรสติดพันในโพธาะที่น่าพอใจแล้วก็ติดพันคือความเกี่ยวข้อง หมกมุ่นในความถึงพร้อมในตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเนี่ยคือเรียกว่าเป็นผู้ติดพันชื่นชมในพบมากก็ติดจริงๆนะถ้าไล่ดูนะตั้งแต่นหนึ่งใครมั่งไม่ติดสุขเวทนาก็ติดความสุขกันซ ส, ส่วนใหญ่นะแล้วก็ติดในสุขเวทนาด้วยติดในสิ่งที่น่าปรารถนาติดแม้กระทั่งในความเป็นหนุ่มเป็นสาวความไม่มีโรคติดในชีวิตนะ่ะ เขาก็ยึดติดในลาบยศสรรเสริญในความสุขยึดติดในรูปสวยๆอ่นะรูปที่รูปเสียงเปลี่ยนรถโพธิภพที่น่าพอใจยึดติดในตาหูจมูกเลนกายให่อ่านะก็ยึดมากอะนะเพราะฉะนั้นถ้ายึดอย่างนี้แล้วนะหลุดพ้นยากะพ้นยากจริงๆแล้วก็ไม่ยังผู้อื่นให้พ้นด้วยนะตัวเองก็ไม่ยอมพ้นอ่นะพันอยู่นั่นแหละก็ไม่อยากให้คนอื่นพ้นด้วยนะไม่ช่วยคนอื่นให้พ้นด้วยตัวเองติดแล้ว ยินดีไหมที่คนอื่นจะพ้นอ่ะโดยทั่วไปไม่เป็นอย่างนั้นหรอกเพราะฉะนั้นบอกว่าทำที่เป็นวัตถุแห่งความเชื่อมชื่นเหล่านั้นอันสัตว์หลุดพ้นได้ยากหรือสัตว์เหล่านั้นเป็นผู้หลุดพ้นได้ยากจากธรรมะที่เป็นวัตถุแห่งความเชื่อมชื่นในภพตัวเองก็พ้นยา ก, กอย่างนั้นเถอะที่จะพ้นก็ยากยากที่จะพ้นอนะพูดแบบทรรมดว่าพ้นยากแล้วก็ยากที่จะพ้นอ่ะนะแต่ไปไม่ได้หรอกยากที่จะไปได้ นนะก็คือเป็นสำนวนะนะจริงก็ความหมายเหมือนกันซึ่ง อ, อธิบายว่าธรรมะที่เป็นวัตถุแห่งความแช่มชื่นในภพเหล่านั้นอันสัตว์หลุดพ้นได้ยากเป็นอย่างไรก็คือสุขเวทนาวัตถุที่หน้าปราถนาความเป็นหนุ่มเป็นสาวความไม่มีโรคชีวิตลาบยศสันเสริญสุขกรุปเสียงกลินรสโพธภาพที่น่าพอใจเนี่ยความถึงพร้อมแห่งตาหูจมูกลิ้นกายใจอันสัตว์พ้นได้ยาก คือหลุดพ้นในยากเปลื้องได้ยากปล่อยได้ยากย่ำยียากแหวกได้ยากข้ามในยากข้ามพ้นในยากก้าวล่วงในยากประพฤติล่วงในยากธรรมะที่เป็นวัตถุแห่งความแช่มชื่นในภพอันสัตว์หลุดพ้นในยากนะหลุดพ้นในยากขนาดไหนก็ดูอ่ะก็พาเขาศึกษาคําสอนพระไตรปิฎกเทื่อออกจากสิ่งเหล่านี้ดูสิไอความที่ยากนั่นแหละพระไตรปิฎกจึงไม่กว้างขวางเพราะพระไตรปิฎกเป็นคําสอนเพื่อออกจากสิ่งเหล่านี้ เนั้นเมื่อเขาติดพันเนี่ยพระไตรปิฎกจึงไม่กว้างขวางเนี่ยนะไม่ใช่สอนง่ายประกาศง่ายที่ยากอะ่ะเพราะว่าเขาติดในสิ่งนั้นเกินกว่าที่เขาจะที่เขาจะมาศึกษาอย่างนี้เนี่ยนะเหมือนว่าโอ้ยเปิด เ, เวลาฟังธรรมกับเวลาเดียวกับฟังเพลงเนี่ยนะโอ้ยจะเลือกเอาทําเพลงไว้ก่อนนะั้นโดยทั่วไปนะเวลาฟังธรรมเป็นเวลาเดียวกับละครที่ตัวเองชอบอะ่ะอย่างเงี้ยโอ้ยเลือกละครไว้ก่อนอย่างเงี้ยนั่นก็ เวลาฟังธรรมเดียวกันกับเวลากินเลี้ยงอ่ยนะก็เลือกกินเลี้ยงไว้ก่อนไงเวลาฟังธรรมเดียวกันกับเวลาไปเที่ยวก็เลือกไปเที่ยวดูก่อนนะนะอาจากกรย์เคยสอนกันไเอาฟังธรรมไว้ก่อนอืมะไม่ยอมไปใต้เลยก็านี้อยู่ฟังธรรมอัะนนะก็นมีอยู่บ้างะนะแต่ว่าน้อยอะนะสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้หลุดพ้นได้ยากจากธรรมะที่เป็นวัตถุแห่งความแช่มชื่นในภพเหล่านั้นอย่างไรอันนะ ตอนแรกนะตัวเองก็หลุดพ้นยากแล้วก็ยากที่จะหลุดพ้นเนี่ยคื อ, คอสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้ พ, นพนน้นได้ยากหลุดพ้นได้ยากทอนขึ้นในยากปลดเปลื้องด้ยากพากออกได้ยากชุดออกได้ยากายายลองไปชุดเขาดูสิคุณชูชุดแม่บ้า น, ไ, นไปฟังทำรรดูเถอะนะนะพากเขามาฟังทำดูเถอะเปลื้องเขามาฟังทำเถอะถอนเขาให้เขามาฟังทำดูเถอะเนี่ยนะให้เขาอ่านอเลิกอ่านหนังสือพิมพ์ um, อ่านเต่ายไปดกเพ้อเนี่ยนะโอ้ยนะนี่ก็ พักหนึ่งคุณบุญชูก็ว่างเลยนะเขาห่วงว่า ง, งั้นกลัวจะกลับบ้านไม่ถูกโทษของวัดตะจริงๆเลยนะยิ่งเขาอินซีเขายังไม่แก่กล้าหรอกรอใจรออีกหน่อยใจเย็นอีกนิดหนึ่ ง, งให้อินซีย์เขาแก่กล้าก่อนนี้ก่อนจากขุนซีแยกกันนี้อีกหน่อยก็อาจจะได้โสตินซียกระพ้องกับพแพ่งก็อาจพอได้บ้า ง, ง น, นะให้เขาให้ทานกับแจวแล้วเขาอนุญาตให้มานี่ก็โอ้ยได้บุญมากแลนะ้วเนอะ ถอนอยากจริงๆนะจากสุ ข, ขเวทนาจากวัตถุที่น่าปรารถนาเนี่ยนะใครอยากจะจากความเป็นหนุ่มเป็นสาวความไม่มีโรคความมีชีวิตหรือราบยศสันเสริญสุกเนี่ยนะพวกลาบยศสันเสริญสุกเนะี่ยดูตอนกเกษียณเน่ยนนะโดยทั่วไปเขาบอกแหมงงอยมากเลยนะบอกว่าพอกเกษียณมาแล้วก็ยังบางวันก็แอบแต่งตัวชุดที่เคยแต่งไว้สมัยก่อนเนี่ยนะบางเจ้าเขาก็เป็นนะสําหรับพวกที่มีอํานาจนะพวกที่มีอํานาจทั้งหลายโดยมากเป็นอย่างนั้นเขาบอกัน พวกรูปเสียงกลิ่นรสโพธาพะที่น่าพอใจความถึงพร้อมแห่งตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยสิ่งเหล่านี้สัตว์หลุดพ้นได้ยากแสดงว่าสิ่งเหล่านี้เรื่องดุงดูดมันแรงมากอะ่นะวัตถุที่หน้าปราถนาเนี่ยเครื่องดุงดูดมันแรงขนาดไห น, นอย่างที่กล่าวเมื่อวานว่ า, วารับสมัครแค่สองคนเนี่ยแฮกันไปเป็นพันอะ่ะแสดงว่าเครื่องดูดนั้นมันดูดแรงมากอะ่ะสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นนะนะนะดูดโอ้ยใหญ่จริ ง, งๆ พันก็บอกว่าต้นไม้ต้นไหนให้หวยนี่ยมันดูดคนไปเป็นพันๆอ่ะคิดดูดูไปหาต้นไม้นั้นอ่ะนะพระรูปไหนให้หวยเป็นมันดูดเข้าไปเนี่ยอันที่ใดเรียกว่าที่น่าปราถนาเนี่ยมันดูดไปจริงๆที่เล่าว่าอาหารนี่ต้องแย่งกันซื้อใช่ไหมต้องไปเรียงคิวรอกันซื้อซื้ออะไรทั้งหลายแหละอันวัตถุที่หน้าปราถนาเนี่ยมันหลุดพ้นยากนะชวนเขาออกยากมากเขาติดแฮ่แหนกันไปรู้อยู่ร่วมกันอยู่ตรงนั้นแหละ สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้หลุดพ้นได้ยากจากธรรมะที่เป็นวัตถุอันเป็นที่ตั้งแห่งความแช่มชื่นในภพเหล่านั้นเพราะฉะนั้นสัตว์เหล่านั้นะเป็นผู้หลุดพ้นได้ยากว่ายากหรือง่ายกับตัวเราเนี่แหละนะไอ้หลุดพ้นข้างนอกมาก็ยากนะหลุดไปเรื่อยๆ อ, อ, อีกเนี่ยหลุดยากไปเรื่อยๆใช่ไหมเพราะเรื่องแรงหนึ่งดูดมันแรงอนะอานนบอกอ้าวไม่ติดในบ้านในอะไรแล้วะแต่ก็ยังติดในร่างกายอย่างไร้ตแน่จริงก็เข้าปฐมฌานสิ เข้าไม่ได้เพราะมันคล่องอยู่อ่ ะ, อะนะถ้าได้ปฐมฌานแน่จริงกาเข้าทุาริยะฌานแต่ถ้าคล่องอยงั้นนะถ้าแน่จริงอ่ะไม่ง่ายหรอกใช่ไหมมันเรื่อยๆอย่างนี้นะจนได้ฌานหมดแน่จริงเจริญวิปัสสนานะตัดชันทราคาในสิ่งเหล่านั้นเลยสิทันแน่จริงไม่ง่ายอ่นะน ะ, ะนะขนาดว่าอของเรามันได้มาขนาดนี้มันก็มาได้หน่อยเดียว น, นะถ้าถามว่ามันก็ออกแค่ก้าวเดียวอย่างนั้นแต่ไม่ไดเอาออกหลายก้าวอะไรมากมายนักหรอกนี่ยนะเขียนะนะนะว่าออกแต่ก็ยังดูอยู่ห่างๆเนี่ยนะ ยังดูวัตถุกรมอยู่ห่างๆนี่นะแต่ถ้าออกได้จริงก็ไม่ธรรมดาละแต่ว่าออกยากจริงๆะนะยอมรับว่าออกยากขนาดคนออกมาแล้วก็ขอเข้าไปใหม่อีกครั้งหนึ่งนะสมัยนี้เขามีพระเนี่ยบวชนะาศึกยังไม่บวชนะนะออกมาหน่อยแต่ว่าเข้าไปใหมนน่ขอถอยสักชัดนาทีหนึ่งแล้วเข้าไปใหม่นั่นนะ